ด้สุดเป็นกับมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเปลี่ยนจากการบำเพ็ญทุกิริยามาก็มาเบิงบำเพ็ญเพียรทางจิตการบำเพ็ญเพียรทางจิตเปนเท่ย์ังไดเนี่ยจะเฝ้าเบิ้งในตะกรอนพรม่านกายกับเหตุไปหลายอย่างเนพรม่านจิตเท่ย์ยังได้ก็เบิ้งเบิ้งมันคิดไปโอ้เห็นกระดูกป่านี่ไม่อากินกันโบเกวาดได้นี่ พคนก็คิดไปเห็นกระดูกป่าโอ้ก็เป็นกระดูกป่าสิที่น <última> ่ะมันก็ไปนําความขึ้นมันก็เลยอ๋อแบบมันกระดูกเออคอนแทร์ด้วยวันนี้แม่นี่ดีตด้วยเออเร็วไปเห็นกระดูกป่าโอ้มันก็เลยนั่นเก็บไปเหยียบนั่นมูเจ้ากินแล้วบกวาดทั้งสิ่งแหะแล้วคนพิจนาทั้งสี่โอ้พิจนาไปไปมานี่ก็เลยว่าใจมันผ้าคิด ถ้าใจมันพลาดคิดเท่าไหรเหตังใดมันจะบุกคิดนี่เด้แนวมันจะเกิดนี่เบ่าเหตุยังใดมันจะบุคิดมัเบิ่งกายเปาเนี่ยกายมันก็มีแต่เจ็บแต่ปวดแต่เมื่อยเวลาหันห่งโดนมันก็นักเวลาเขาลุกขึ้นก็เบาเวลาเาเหุเลือกหลมันกันเมื่อยเวลาเศรามันก็จะเป็นยืดเสียแหละนักเบาไปไปมาตามกฎของใจหลักมันก็มีสนยใร่างกายมื้งอย่างอดเหตุหลายมันก็เจ็บรักษาไม่ดีหลามันก็ป่วยรักษาเม่ดีมันก็สบาย แต่ใจของเขาเนี่ยที่มันบดีฝึกไปคิดว่ากายความสบายของเขาความเจ็บของเขาความปวดมันไปคิดว่าความรู้ซึ่งทังกายเนี่เป็นของเราจริด้มันพิษมรงนั้นทีนี้ถ้าหากว่าป่่นกายนี่เหตุยังไงบอดฮอรมโมนกายเกินไปและบอทําให้ร่างกายสบายเกินไปถ้าร่งเหตุให้ร่างกายสบายเกินไปเพิ่นเอินว่ามันสุดตรงไปทางอยากก็เหลือกามาสุขานุยกเหมือนเด็กเสพสนุก มุกมวลในอายตนะรูปสียงคิดทั้งหลาย น, นั่นเขาไปสําคัญว่ากายสบายเขาก็ไปเสพความสบายทางกายเลยเหตุให้ย่านแบบนี้เอาที่ที่เขาคิดว่าถ้าหากว่าไปคิดว่ากายมันเป็นเขาเกิดกิเลสไม่สบายแล้วมันเป็นไปตามความอยากเขาก็เทรม่านกายแบบนี้เปนเป็นลงเทรม่านกายจนเขาต้องมาบอให้กายสบาย เหตุให้กายลำบากจนชิลมสิตใจมันก็ไปอีกทาังนึงเหมนี่ก็ เ, เราว่าพวกฤาษีชีพายทั้งหลายเขาเหตุทังสันเราว่าอัตตะกิละมาธาเนยกุกสูดตรงไปทั้งทรมานกายแล้วกามะสุขลิการเโยกุกสูดตรงไปทั้งเสพสุขในกรรมามโบเมนทั้งสองทางเหมืนอนน้่ทางพอดีไปยุ่เหมือนนี่ทางพอดีเป็นการมาเบิง้งว่าโอ้ถ้าสบายกาย่าไปเสพความสบาย ถ้ามันบรสบายก็ย่าไปาย่านความบรสบายนั้นให้เบึ้งใส่กันให้พอดีระวางความตึงกับความย้อนให้กันพอดีปับ๊บเอาเอิญว่าพอทนได้สุข ก, กัให้พอทนทุกข์กับพอทนนอย่าไปเสพพอมันทอทนไดส้สิปับ๊บมันจะเป็นกลางได้บนะพอจิตมันเป็นกลางปับ๊บก็เอินทางสายกลางมาชิมาปฏิปทาพอพ้นไปพิจารณาอย่างนี้ปับ๊บ เพิินกับจิตมันเกิดังมาอยู่เป็นกลางแล้วบันนี้เวลามันรู้สึกสบายกับบทบทคิดนําความสบายมันรู้สึกบวสบายก็จะไปคิดน้ำความบวสบายก็เบิ้งมันยื้ซื้อเบื้องความสบายบวสบายใส่กันมันก็มีแค่สองอย่างนะแต่หากว่าเขารู้สึกสบายเข้าไปคิดน้ำความสบายมันก็คิดคิดเรื่องสบายคิดเรื่องสารพัดที่มันจะเย็กให้ได้แล้วสบายอนะน่ะมันก็เป็นเหตุให้ใจอักวันนี้ ถ้าหากร่างกายบทสบายก็คิดน้ำความบทสบายเวลาเขานั่งนา่งในฝนตกใส่วแดดออกว่าบทสบายเฮ้ยคิดว่าเฮ็ดยังไงจะหาอันนั้นมามุ่งหานี่มากังก็คิดไปออกไปละทีนี้มันก็เลยคิดน้ำความบทสบายที่นี่ถ้าหากความสบายเขาก็บำบัดออกไปความบทสบายก็บำบัดออกไปให้มันอยู่พอดี เอ๊เวลาพอดีนี่มันฮะโบไปนั่งความสบายบรสบายฮะโบไปนั่งความหมักบ่มักเนี่มันก็บโคิดเนีจิตมันเคยซื้อๆปั๊บพอชี้ซื้อๆปั๊บนี่ยโอ้เราก็ดํารงชิดนี่ไว้พอดํารงในชิดนี่ปั๊บปรากฏว่าชิดมันมันนิ่งแบบนี้คนก็เพ่งเบิ้งชิดกับเดบอเพงเพื่อทางชิดนะนะเพิงเบิ้งชิดเพ่งไปเพิงไปเรื่อยๆว่าชิดมันจะดิ่นไปอย่างไรมันจะดิ่นไปสองทา้งนั่นแหะดิ่นไปทั้งหมักบ่มักสบายบรสบายกูดเกล็ดชอบช่าง วิ่งไปมาถ้าหา้หากัเขาบอ่อไปน้า ส, สองข้างเนี่ยสบายก็บโคิดบอ่อไปน้ำมันพอสบายก็ะโบบอ่อขดไปน้ามันเดีจีบมันก็เลยโบทั้งมือมีทั้งไปวนี้บนการรักษาจีบเป็นสัน้นจนกระทั่งว่าแต่ก่อนความคึดต่างๆที่มันเคยตกอ่าเคยคิดมาในอดีตเป็นรอยซาดพันซาดเนี่ยเพื่อนเห็นเหมือนมันตกแต่ก่อนเหมือนที่ว่าวางหันในซักที่มันคุ้นหน้าฝนเนี่ยพราะมันถูกไอ แสงแดดหน้าแหล่งซองเวลาออกพรรษามาไปหน้าแหล่งเนะาะสะเขาก็เริ่มใส่ใส่ใส่ใสใส่จนเห็นว่าตะกอนทั้งมดที่มันตกใส่ลงไปในสามันตกตะกอนเป็นขีตะกุนตุนดินไปมดเพื่นก็เลยเห็นว่าโอ้ใจเขาคือกันด้วเนี่ยเวลาน้ำใส่เราเห็นมดตัวปูตัวปลาตัวไม้ตัวอะไรที่มันตกลงไปในสะคองอย่างนี้ตกไปในสะปูปลาหน้าน้ำเห็นมดเห็นหมดสุตัวต่งเนี่ยจิตเขาคือกัน หลังจากที่เพนดำรงชิดเอาไว้สักพักนึงโดยการเอาเพ่งคือความเพียรของพนที่ประคองชิดไว้เนี่ยบ่ให้มันติ่งไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งดีทั้งให้เนี่ยโดนเขา้าโดนเขา้เขามันเลยนิ่งไาเนี่ยพอนี่งแล้วมันใสพอใสแล้วเพนก็เลยไปเห็นชิดอย่งชิดไต่สานึกชิดใต่สา น, นึกเนี่ยเหมือนกับแต่ก่อนที่มันตกอยู่ไต่กุญซัะอะ พอมันตกตะกอนใจคนซะเอาตั้งใจฟังไหมอย่าไปติง่งได้ตั้งใจฟังออนั่งนั่งอยู่ซื้อๆหลวงพ่อจะบนเราได้ไหมบวบดั่งใจฟัง พ, ออพ่อนออพลดำรงชีพด้ัยซี่ป๊อปรากฏว่ายานที่หนเกิดยานที่หนคือไปเห็นอดีตเจต้าของ อ, อืไปเห็นอดีตเจต้าของคือเห็นว่าในอดีตนี่ยเคยเกิดเป็นยังไงยังไงเห็นหมด รอยชาต์พันชาต์มื่นชาติแสนชาต์ตลอดชาติอย่างยิ่งเพื่อนะคือเห็นเหมือนกับเขาเห็นไอไตรซ่านั่นนะในบอหําเห็นมดว่าเงินทองของเข่าปูปลาหน้าหนำตกอยู่นี่เห็นมดเพราะว่าหํามันใสเลยดิพอจิตมันใสก็เห็นอดีตมดได้เปล่านี้อดีตตัวนั้นเคือดขึงนคือจิตไต่สานึกอจิตใต่สานึกนี่สั่งสมมาบ่มันชาต์เดียวเล้หลายลอยหลายพันชาติที่มันติดกันเลยเอ็นดีเนเอนะอ๋อมันเหมืนตัวนี้ เพื่อนก็เลยเห็นอดีตเพื่อนก็เลยสะลดใจว่าโอ้เฮาเวียนไหวใจเกิดเพื่อนเลยอุท่านอุท่านออกมาว่าเมื่อเฮาบอดายสติบอดาความหูโถเฮาเนี่หลงเวียนไปกับไอการความอยากเนี่ยเป็นนับพบนับศาสตร์บทวนอเ น, นกชาติสั่งสาร้างสรรสรันทาวีสั่งอ น, นิพิสั่งขะห์การังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณ์ปุณังโอ้เฮาหลงไปกับความขึ้น เป็นลอยมืนชาติแผ่นสันสัตว์แต่ะนับศาสตร์โบรดณนี่เพราะความอยากตัวเดียวความอยากคือความที่มันมันมันบดบังนะมันบดบังใจเป็นความอยากมันบอกบัดนี้เรารู้จักความอยากแล้วเฮาจิตเฮาจะบบวนไปตามความอยากต่อไปคือความอยากสุกอยากถุกคือเห็นว่างันนะเวลามันบริสบายก็อยากนี้เวลามันสบายก็อยากเอาเวลามันสวยกับหมักเวลามันบรสวยกับบรหมักเวลามันมันก็วิ่งอยู่แค่เนี้ย ยิ่งวิ่งอยู่นั่งความอยากสองตัวเนี่ยอยากไปทั้งดีห้างให้นี่แหละตลอดมาตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์นี่ยตั้งแต่เกิดเป็นสิงสารและซัดทั้งหมดเพราะความอยากเท่านั้นแล้วก็โอ้สีหนาความอยากบันนี้เรารู้จักเจ้าเสียจแล้วเจ้าจะมาทําสร้างเรื่องสร้างเราให้ไม่ได้อีกต่อไปก็าหาการอากาติโทษสีปุ่นเอาเคห้างนาักาสิน่ะคงเลือนทั้งหมดเขาหูจกักเราเรื่องที่ไม่ไมาสร้างความอยากได้ไหมเนะี่ยมันขันหา่า ยอดเรือนเราก็รื้อเอสร็จแล้วสภาเตภะสุกขาภะคาค า, าปูตาวีสังคาตงงังยอดเรือนทั้งหมดยอดเรือนคือยังยอเรือนคือความบุหูโตคืออวิชชาคงเรือนคือขันหายอดเรือนคืออวิชชาพอเป็นหูยังสี่ปักเพิ่นก็เลยว่าวิสังขาะระคาังจิตตันตันหาหนังขยะมัคฉาจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปของความอยาก หมายความว่าเฮาดารงจิตเป็นกลางนี่บไปทั้งซ้ายทั้งขวาบไปท้งเหนือทั้งใต้บไปทั้งอยากทั้งบอยกบได้ทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันก็เลยอ่าจิต เ, ล, เลยเบออยกกียดบวเนี้ยเพอาจิตเบอยดบวปุ๊บอ๋จิตถึงที่สุดนี่เป็นอุทา น, นอันนี้ออกมาก็เลยว่าคิดดูเอ๊ความอยากมันมาจากไสบปเนี่ยเพราะความอยากเป็นเหตุให้จิตคุณนนบละแต่บันนี้เนเพลงจิตจนใสแล้วเนี่ยความอยากมันตกแตกอนนะถามว่าก้อนหน้านีความอยากมาจากไสเปิ้ลก็สก ตัวที่เราจือศาสตร์ใดหรือลึกศาสตร์ใดเนี่ยเอ็นปูเพนิวาสารนสติญาตคือไปเห็นตะกอนต่างๆเหมือนไปเห็นตะกอนต่างๆตกอยู่ใต้จิตเขาเรียกว่าจิตใต้สานึกหรือว่าซับคอนชิส์นั่นนะซับคอนชิสคือไปเห็นตัวนั้นจิตใต้สานึกตัวนั้นเมื่อมันความหูเห่งทะลุลงไปแล้วมันกลายเป็นจิตหลุสํานึกตัวนั้นละกลายมาเป็นปัญญาให้เราพิจารณาต่อไปอีกซึงยานที่สองเรียกว่าจุตูปปัตยาน ญนะานที่สองจุตัวประญาณที่สองญาณแรกตั้งแต่หา้าทุม่มถึงสองถึงสองยามมันบลาจากสองญาณนันไปพิจารณาว่าความอยากความึ้นมันไม่ได้ใสพิจารณาไปพิจารณาไปอไปเห็นสองตัววนนี้จุติกต็อุบัติจุติจุติแปลว่าดับอุบัติแปลว่าเกิดเกิดก็ดับไปเห็นอ๋อการเกิดดับในจักรวาลทั้งหมดเป็นจักรวาลยู่มีพลังอยู่สองอัน คือพลังเกิดกับพลังดับเรื่องพลังลูกกับพลังน้ำสองอย่างนี่ทํางานอยู่ตลอดตลอดกับตลอดกันเฮ้าจะเกิดมาระบบเกิดกันตามสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วพลังการเกิดดับเพื่อนก็ไปเห็นเอ้าเฮ้านี่มันเป็นปรากฏการณ์ของการเกิดดับตัวนี้ละเอียดเด้อหงัวอาจจะบม่เข้าใจก็ได้แต่ต้องบอกเอาไว้เพื่อว่าเฮ้ามันเกิดขึ้นในเฮ้าจะหุงจักว่าเฮ้าไปเห็นการเกิดกับการดับในใจของเฮ้าเนี่ยที่เขาเคลื่อนไหวนี่การเกิดดับนี่ ปรากฏการของการเกิดดับออกมาทั้งกายเขาว่าเป็นปรากฏการเกิดดับออกมาทั้งว่าจ่าเขาคิดไป็นปรากฏการเกิดดับออกมาทั้งความขึ้นแต่มันมาจากการเกิดดับมดเพื่อนไปเห็นวันนี้โอ้บนนี้เนาะเป็นที่เกิดของทรัพยสิ่งทั้งหลายเพื่อนเห็นการเกิดดับทั้งส่วนถ้าเขาไม่อยากถูกเขาก็เปลี่ยนการเกิดดับไหม่แทนที่มันจะเกิดดับด้วยความบุหูโตโดยอวิชชาก็เอาวิชาไปใส่ให้มันเป็นการเกิดดับของวิชาเมื่อการเกิดดับของวิชาตัว อวิชาก็หายไปผลก็เลยเอาตัวลูนี้มาจากใส่ตัวลูนั้นมันอยู่เหนือการเกิดดับมันมีอยู่ก่อนมันมีอยู่ก่อนก็เลยเกิดพลังบริสุทธิ์การเกิดดับเนี่ยดยอำนาจของลูกับน้ําทํางานกันเหมือนโบลาณเหมือนกัรนิริกามันป๊กแป๊กป๊กแป๊กอยู่แค่เนี้มันดินอยู่แค่เนี้อยู่วันเวลามันไม่ลู้ตัวเหมือนบอ้ดับเกิดดับอยู่แกงไปสองจังหวะอันโบราณการแกวงไปการเกิดดับของมันเนี่ยมันเหตุให้อย่างเฟื่องเนาะ เฟืองเข็มหน้าที่เฟืองเข็มวินาทีเฟืองเข็มชุมวโมงกับมุนไปตามบอกเวลาบอกวันเดือนปีมดได้แค่อยู่แค่ในกาแกลงแค่เนี่ยแต่ในการรุ่นไหมมันใส่ยังเฟืองเต้นอยู่แค่นี้เนาะใส่ที่คอที่แต่มันไปเห็นอัตัวนั้นเฟืองมันหมุนบปเนี่อ๋อนักวิศาสตร์หรือไมาจำล่องการเกิดดับโ่รตินเป็นเครื่องยนต์กลไกมุดแวตเอไฟเนี่ยมันมีอยู่สองขั้วเป็นบ่ขั้วเกิดหรือขั้วดับขั้วเกิดเรียกว่าโพสิทีฟ ขอดับเลยวันนิเกตีมันว่านิเกตีพูนพุชีติพูขั้วเกิดบันเขาเลยกอื่นขั้วลบขั้วบวกพอเคยสองขั้วเลยปั๊บถ้าถ้าขั้วใดขั้วหนึ่งมันมีกำลังหลายกว่าไฟกับโบสถ์เสถียรมันว่าเฮ็ดปั๊บความเกิดดับทอกันบันนี้ความทีทอกันปั๊บเป็นแสงสว่างแต่ความทีโบสเ์ทอกันปั๊บเนี่เมันแสงสว่างกับพิบนนี้แต่ถ้าเกิดมันเอาขั้วเกิดขั้วดับไปแต้กันปั๊บมันมันสะบักมันช็อตเหมืการเกิดดับถ้าสมบูรณบุหูใส่การเกิดดับพิ ห้องว่าท so ุกขนี้ทุกเกิดเพราะว่าการเกิดการดับนี่มันมันเกิดกําลังกันมันบอพอดีเพราะฉะนั้นปรับการเกิดการดับเพราะฉนันเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยมัเทียมมันกิลรูมังเทียมมันกิดหลงมมัเทียมมันกิมีสติมันเทียมมันขาดสติสลับกันอยู่อยงนี้เขาจะไปแปลกใจนั่นคืออํานาจของการเกิดดับถ้ามันลูตัวลูเกิดเพราะตัวหลงตัวหลงเพราเกิดตัวลูตัววิชาเกิดเพราะอวิชาอวิชาเกิดเพราะวิชาความโง่เกิดเพราะความฉลาดความฉลาดก็เกิดความโง่อ่า มันได like ้เป็นครูเป็นคูมเนครัวมาบุญถ้าให้เกิดบาปบาปแล้วไม่เกิดบุญนรกทําให้เกิดสวรรค์สวรรค์แล้วไมเกิดนั่นยังเป็นครูอย um ู่บไปนี่ทั mm ้งมรดกผลก็เลยบรรลุขนานั้นเลยเห็นธ um ้รมมดเลยเห็นโลกทั้งโลกนี้เกิดชิ่งเดียวเกิดจากการเกิดดับเท่านั้นแต่เฮ้าบ่ลู่บ่เกิดวิชาความหัวนี่เฮาไปสําคัญว่าการเกิดดับเป็นเฮ้าไปนี้แต่ความจริงการเกิดดับมันคือธรรมชาติอันหนึ่งของจักรวาลทั้งหมดมันเป็นอยู่อย่างสัจนแต่เนื่องจากว่าเฮ้าบัมี วิชาได้ศึกษามาก่อนี่เขาก็ไม่คิดว่าการเกิดดับเป็นเกิดมากรแมนตัวเข้าหล่นหมดละตัวเข้าเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็บรรจุการเกิดดับถ้าพ่อแม่หูจักเกิดกระดับมัลลปุรุเกิดกระดับก็ไม่มีเข้าไปเนี้ยเพื่อนก็บอถ้าไม่เกิดทุกคนบ่กมาเกิดเข้ามันบละเข้าในเป็นพวงพวงของการบรรจุการเกิดดับของพ่อของแม่ของบรลลปุรุถึงได้เกิดมาวันนี้ถ้าพู้ทีเจ้าบนเห็นเช่นนี่ปั๊บบรรลุยานที่สองเลยประมาณที่สามเลว่าจุตูปปัตยานเมื่อเป็นเช่นนั่น ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดดับด้วยความหมู่หูเอาตัวหูไปใส่มันซะตัวหู้นี่มันคือเกิดจากตัวหู้ซึกงตัวเนี้่เม็นตัวขิดได้บปล่าเนี้ยตัวหู้มันมีอยู่แล้วเป็นพลังของโลกยุมมีอยู่ก่อนแล้วเป็นพลังเมื่อมันตกใส่น้าผู้ใดเนี่ยมันจะเกิดเป็นรูปเป็นน้ําขึ้นมาตัวรูปคือกันเกิดตัวน้ำคือกันดับคาเรียกว่าหลุดกับน้ําตัวกายคือกันเดินตัวใจคือกันดับเนี้ มาสมมุติมันน่ะมาสมมุติมันออกมาออกมาผู้ยิ่งคือผู้ผู้ยิ่งกับผู้ซ้ายนี่ผู้ใดเป็นเกิดเป็นดับเอาแล้วบันนี้พร่อมันก็บีสองขึ้นกันมันว่าเพราะยังคนนึงจะต้องไปเกิดคนหนึ่งต้องไปดับแล้ววันนี้แล้ามูเขาว่าคิดว่าผู้ใดเป็นตัวเกิดผู้ใดเป็นตัวดับระว่ังผู้ยิ่งผู้ซ้ายเอาละผู้ใดสร้างเรื่องผู้นั้นเป็นตัวเกิดผู้ใดโบมีเรื่องผู้นั้น เป็นตัวดับผู้นั้นผู้ยิ้งก็สามารถเป็นเกิดและเป็นดับได้ผู้ซ้ายสามารถเป็นเกิดและเป็นดับได้แล้วแต่ผู้ใดจะสร้างปัญหาให้กันถ้าในครอบครัวนี้ถ้าผู้ใดสร้างเรื่องขึ้นมาทะเลาะกันผู้นั้นปิดตัวเกิดผู้ใดย่อมผู้นั้นปิดตัวดับที่เขาส่วนใหญ่บุยอมปิดตัวดับมันบ่ปิดตัวดับว่าเป็นผู้แห่เส้นเดชเขาก็บุย่อมแห่ถ้าผู้ยิ้งผู้ซ้ายตั้งเกิดเนี่ยกันเกิดยังไงเกิดทะเลาะกันเกิดโต้เกิดตีเกิดฟาเกิดฟันเกิดทำร้ายล่างกันถ้าหาผู้ใดผู้หนึ่งย่อมใช้มันกระดันบ แต่ทีมันบ่ยอมกันประหาเมื่อเกิดคือได้ลบกันต่างคนต่างเกิดนี่การเกิดทุกข้าเป็นทุกพุถิเจ้าบอกว่าโอ้การเกิดเนี่บ่ดีเนาะมันเฮ็ดเฮ็ดเกิดนะเพื่อนเกิดล้วบ่ส่งเสริมการเกิดส่งเสริมเกิดคือการส่งเสริมรูปเลยถ้าส่งเสริมกันดับส่งเสริมน้ำเพื่อนเกิดล้ประกาศกันดับคือประกาศนิพพานบอไปประกาศสังสารวัตรเพราะนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันมาคนขวดตามห้อยของเพื่อนเพื่อนเมื่อพิษผลิตไอ้ยังออกมาได้นั่คือกฎของการเกิดดับเลย กรื่อโคดของสัมพันธภาพระวังเกิดกระดับนี่ที่อันเบอร์ไอน์สไตน์มันค้นพบนี่เห็นความสัมพันธภาระวังการเกิดดับมันก็มาไปอยู่เป็นความประณีตของวัตถุต่างต่าให้เใส่เซและ้ว์พูดว่าถ้าหากว่าเพิ่มส่งเสริมกันวัตถุหรือรูปเนี่ยโลกนี่มีสงครามบทสิ้นสุดพ่ออย่างพ่อว่ามันจะผลิตวัตถุกองค์าประณีตเพื่อสอดคล้องกับความอยากตอบสนองความอยากของคนแล้วความอยากมันวิ่งข้อเขตย่์ บูมีในที่สุดความอยากต่างคนต่างอยากต่าคนต่างอยากเพราะนักวิทยาศาสตร์มันบอบอเข้าใจพุทธศาสนาเขาว่าอันเบอร์ไดสตา์มันเสียใจที่มันคิดยังเสนอมาได้มันมันหนึ่งศึกษาพุทธศาสนาที่หลังได้อันเบอร์ไดสตายเนี่ยมันบอกว่าถ้ามันมันคิดว่ามันบูมีศาสนาแต่เขาบอกว่าถ้าตัดสินจะนนับถือศาสนาใดสันหนึ่งบอกว่านับถือพุทธศาสนาและในโลกนี่ถ้าถึงการวิวัตรลมสลายนี่ ถ้าศาสนาลมอายรทั้งหมดบอเหลือศาสนาเดียวในี่เคือพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานนั้เป็นธรรมชาติบม่มนเป็นเรื่องของว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าประกาศแต่ธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเราก็เลยโอเป็นยังไงอันเบอร์นอสตายถ้าเกิดอันเบอร์นอนสตายเข้าใจซึง่งผู้เที่ยวแต่สรุปว่าอันเบอร์นอสตายกลายเป็นผู้ได้เจ้าอีกองคหนึ่งมันบอก อ, อันนี้ได้เป็นได้ครึ่งเดียวก็เรยกเป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้คือความวิเศษของผู้ได้เจ้าเพื่นสามารถเห็นทะลุลงไปว่าอ เพื่อเรียบวยสร้างการเกิดมาสร้างการดับ น, นิพพานไปว่าดับมเมื่อไหร่แล้วก็วัตถุหรือว่าสัมสารวัตไปว่าเกิดเล้ยวเวียนไหวใจเกิดเหตุมันไม่อยู่แค่นี้วันนี้ดังนั้นมูเฮ้ามาศึกษาปฏิบัติเขาก็เหตุตามเพื่อนได้แล้เหตุยานสามนะมันแบบแต่อธิการอาจารย์อธิบายเป็นยานเก่าบอก ย, ยานสิบหกหรือ ย, ยันแปดบ่ก ย, ยานเจดบอกมันมันหลายพูดภูธิเจา้าบุตรทัศลุแค่สามยานแค่นนหนึ่งเมื่อจิตมันหนึ่งแล้วความคืนทั้งหลาย มันยุดแล้วมันตกตะกอนเหมือนน้ำในสระสองเมื่อนิ่งโดนแล้วมันเกิดแสงสว่างแสงสว่างตัวนี้จะไปเห็นการเกิดดับสเมื่อลู่การเกิดดับแล้วเจ้าจะให้เกิดดับแบบมีกิเลสหรือเกิดดับแบบหมดกิเลสนั่นผลกิเลสลู่วิธียานที่สามเลย ว, ว่อาอาสวัคยยานลู่จักวิธีการทําไร้กิเลอสอาสวะได้แล้วเพราะลู่ว่า มัมีตัวหนึ่งที่บรอยู่ในวงก่อนกันเกิดดับนั่นคือตัวลู่ตัวลู่อยู่นี่มันบรอยู่ในขันหานี่ตัวลู่อยู่นอกขันหามันมาจากใสทุกคนต้องมีถ้าเกิดมาถ้าเจ้าบรมีตัวลูน่นี่เขาหมอหมอไปเะเทศยังได้เกิดมาซื้อเนี่ยหมอบรย้อมเด้นั่งไปบัตรบรย้อมบริสซื่อเจ้าเกิดมาซื้อ เ, อ, อ, อ, อ, อ, อเนี่ยบรติงบริิ่งบริลองบรหันเขาเให้ใหยังได้ เขาก็ต้กลอนยังเฮงนันเวล่ะพราต้กลนมันเอาแว่เอาแว่เอาแว่กลายเป็นเอาแว่ฉันดูดุโตแล้วเอ้อาแว่เบื่อดูโตเอาแว่เอาแว่แต่เขามันอ่านบทถึงเขาบดอ้วแหว่เวล่ะเขาจริงโอ้ยสันดูดโตแล้วอาแว่เน่ยเขาก็เ่แปลว่าเอาแว่เนี่ยสันได้ดูดโตแล้วมันเดือห้องอ้แว่อ้แวออกมานัในหูเพราะมันหูดโตด้วยความสุขหรือความทุกข์เล็กหน่อยอ่ามันอแวมันก็ดทุกข์แหละอ่ามันก็เลย มันก็เลเกิดมาเป็นทุกข์มดไปเมันมั น, น Man, una, มันบููตมันบอได้ไอมีตัวตัวลูกมกื่อก่อนอันนั้นตัวลูกของเขานี่เป็นตัวลูกของทุกข์แต่เมื่อเขามาศึกษากระบวนการของวิปัสสนาแล้วจึงมาทาตัวอแว่เนี่ยเป็นตัว Awareself a w e เขาูเน้อูตัวเพราะนั่นเดียวมาสั่งมาสั่งตัว a w แว e ได้มันบอกว่า You a a r e o thinking Aware your thought moment Aware of your bodily all เนี่ยคือพยายาม ระลึกรูคณะเห็นอย่างเขาก็สร้างตัวรูนี่ไปลีลีลีๆๆจนกระทั่งว่าตัวรูนี้เข้มแข็งเมื่อตัวรูนี้เข้มแข็งแล้วเขามันเลยเกิดย่านประเนี๋ยวย่านแรกเร้ก ไ, ไปเ็นอดีตเจ้าของอย่างรูอดีตหลวงพ่อระเบ่อเนี่ยผักระมังหอด น, นี่ลเลื่มเรือกหัวกระมังหอหว่างนี่เ <ś novelty> กลียวเเข้ามาเออเกี่ยวเกลียวใครเข้ามามดเชมดไปได้ไปตอมืออื่นบ้าอาเงนเอาจัง น, น, น้อยก็ ไ, นนนนย <ś S 2> ได้น้อว <ś S 2> ่าว่าหอมคอ ตอนที่หลวงพอ่อลูลูดตัวอดีตเจ้าของตอนนั้น่ะปฏิบัติอยู่วันหนองโพลอดเนี่ยปฏิบัติอยู่เป็นเดือนดิเนะมันไปเห็นเจ้าของภาพแรกที่สุดเียเห็นเจ้าของเห็นเจ้าของเป็นเด็กน้อยจ็คขวบนี่นะ่ะเขาเอาใส่เขาเขาแต่งไอ้ตัวเสื้อสีแดงนะจำเห็นได้อยังเนาะเสื้อสีแดงเป็นเด็กน้อยเดินเตาะแตะตาแตะอย่เนีน่ก็ไปไปเริ่มต้นมั่งฮั้นแหละแต่ต่อจากฮั้น์บุหงเด้ มันไปเรื่องมงคลเลยไปเรื่องโมตอนเจ้าของเป็นเด็กน่อยเขาใส่เสื้อแดงอ่ากางเกงแดงให้อ้วนเลยแต่สมัยนั้นเนาะเขาเลยชื่อเดิมว่าตุ้ยนะตุ่ยไปไปอ้วนเลยเออตุ่ยเป็นเด็กน่อยอ้วนได้ไงมันเรื่อยผมมันนะมันเให้เรียกลายพูดนะที่นี่เมื่อเขาเห็นทุนี่แล้วมันก็เป็นชายออกมาเนียปฏิบัติมามันจะชายมันฉายหนังวันนี้เป็นจากจากจากจากจากมาจนกระทั่ง ที่เขาปฏิบัติอยู่นั้นหมายความว่ามันฉายมาตั้งแต่เขาได้หูความนึ่งขวบจนมาถึงเขาอยู่ขณะนี้ตอนนั้นอายุประมาณสามสิบห้าเนาะสามสิบห้ามันก็ับมาเห็นอดีตเจ้าของแล้วเป็นอย่า ง, เางไาเฮตุยังไ้วันนี้ มันมีแต่เรื่องทุกข์ตลอดเลยนะที่มันเกิดเฮาได้เกิดเจ็บเบื้งใดตายเบื้งใดไปยังใดเฮาได้รับการพยาบาทเปรบเองแล้วมีความหักเบ้มีความสั่งมีพอจ้าคนมีแม่เจ้าคนมันก็จะว่นว่นนวนเห็นอยู่อย่างสั้นเมื่อเห็นอย่งสิ่แล้วมันจะเกิดความสลดใจโอ้พอบุหูนี่มันเป็นจยงสี่เฮียใได้จะให้มันหูกันเนี้ยมันจึงจะละมือได้แต่ยไปเราน่ยมันเน่าเนาะคืนนี้โบโจ๊บเราคืนนี้โบโจบ พ่อบวชอันนี้จะปีเอันนีบวดเป็นเน้นอายุสิบหกพ่ออยังพ่อนี่พ่อตายเลยอายุเก้าขวบเลยพ่อตายนะพ่อเลี้ยงกับตายพ่อแท้กับตายพ่อยา่กับตายตอนนั้นยอะกวขวบตายพร้อมกันสามคนเลนะปีเดียวกันว่าคนละปีแต่ตอนตอนนั้นอายุเก้าขวบนี่พ่อแท้ตายก็ปรากฏว่าพ่อพอตายเมื่อนี่มันก็ต้องได้เลี้ยงแม่นว่าละ มีน้องอีกสามคนอนะเลี้ยงแม่เอาน้องผู้ชาอีกคนนะไปให้ลุงเป็นอันลกบุญธรรมของลุงซะเอาก็เลี้ยงน้องสองคนพอพอ่อใจแม่่นกระโบสบายเมืนบ่นบละ<ม>ที่เขาเป็นคนใหญ่เด้๋วันนี้เป็นคนกบ ม, มัวก็ได้หาเลี้ยงแม่ตั้งแต่อายุฮะอายุเก้าปีนะ<อ>ทางานตั้งแต่เก้าปีงั้นถึงซื้ อ, อไปน้ำหลับจ่างหลับใบไปน้าเลี้ยงง้ว่เลี้ยงควายมานดะเตปุน่นโอ้มันเกิดเห็นภาพมามุมดเนาะ มันทุกอย่างใดเนี่ยกาตั้งแต่เก้าขวบจนมาถึงอายุสิบหกอาผู้นึงมันพอู้มทงานหนุ่มซื่อผู้ใหญ่บวเป็นนะพ่อยเป็นเด็กหน่อยเหตุงานคือผู้ใหญ่บ่บเป็นถ้ามึงไปบวชมึงยใหญ่เป็นอยู่เพียงนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้อวดกับเขานะ่อตั้แต่เข้านิดตัวนิดหน่อยด้วยเหตุเวกน่า น่าเห็ด น, น้าหน่าเขาให้เขา้าหน่าให้เห็ดให้ไปก็าพุ่งใหญ่เนี่ยนะที่แม่กับป่วยกับซ้อกับแซ่เดย์คนมหากิีนั่นแบบก็กบไปเห็ดจนอายุสิบหกลุงเอาจะปูคนก็บอก อ, อยู่นี่บ่ได้แล้วมึตงต้องตายพุ่งใหญ่บเป็นเนี่ยหอมท่างั้นนะักไปบวชซะไปเสนาแม่สูนี่มูกุจะรับรองอะร ก, ก, ออ ก, ก, ออ ก, กัดูแลเอานะี่ยทะเลเพิ่นให้ไปบวชก็ได้ไปบวชน่ยอายุสิบหกน บวชแล้วมันแกโบออยูุซื่อๆอเนาะก็เลยไปค้นหาหนังสือเก่าๆในตู้ในแล้วพีม่มาอ่านหนังสือเล่มแลกชุดแรกกอ่านพุทธประวัติแต่ทางเหนือนี่ดีอย่างหนึง่งในช่วงที่บวชเป็นเน้นเนี่ยเขาให้ยูยูเขาเลยยู ก, กรรมเข้ากรรมฐานสามมือนะเข้ากรรมฐานสามมือแล้วในสามมือนี่อาม่าก็เลยโอ้ ให้ปฏิบัติเข้มงวดแท้ ๆ, ด, ๆด้ถ้าบวชเป็นผ้านี่ให้เข้ากับมาฐานเจ็ดมือหลังบวชแต่สมือมีบุมนี่เลยเด้ทำเนี้ยมันนี่สามมือนี่ยไม่เคามันจะไปใส่ยงางไปใส่นี่ต้องต้อ ง, องแค่เมตตาตลอดกวจะไปเหยียบซั์เหยียบหมดเหยียบแม่งต่ใ น, น, นวัดเขามันมีตนลโพส่งตุลต้โพขนาดยี้เาสามมือเนี่เขาก็เป็นนางภาวนานั่งรับตาจซือแม่แต่พูดโทษสามมาทันหงหน้อยมู่จักนั้งมืหละทางเพื่นวันนางแผ่เมตตาเพ่นให้ตกลูปคําเด้ ว่าฮ <c oughs> ันเห็นอันเฟใส่ต้องรู้ว่าคํา้อยแปดเม็ดนะต้องไปแต่ว่าก่อนที่จะบวชได้ต้องเป็นเด็กวัดหนึ่งปีคนเด็เป็นเด็กวัดเด็กน้อยในวันหนึ่งปีให้ส่องสวดมนต์ให้ได้มดสมัยนั้นโอ้ก็ไม่จะบวชง่ายๆเด้ต้องเฮียนสามเณรสิขาต้องสวดมนต์สิบสองตำนานให้ได้มืดถึงจุบวชให้บวชเ้นบวให้บวชพอบวชมาแล้วเขาก็เอาบวชมนต์มาอิติปิโสคำละเม็ดคำละเม็ดเลนะอ่า เ่อเอาได้ลอยรอบนึงกัเอาเอาหินมาเม็ดนึงแทนคุณพอนะลอยที่สองเอาเหินมาร อ, อบหนึ่งเมด็ดนึงเนี่ยถ้าพันหนึ่งเอาทดแทนคุณพอได้สองพันทดแทนคุณแม่ได้สามพันทดแทนคุณปูคุณยะได้มันก็เลยเหตุตามเพื่อจะให้มันจานวนหลายนะรอบนึ่งได้เม็ดหนึ่งเราเอาเหินมากร่องไป ปาโคตวาเมื่อที่สามเจิตมันมันนิ่งมืาเนี่เด็กน้อยเนาะมันว่ดได้ขึ้นอย่างไรโตกลัวเข้ามันก็นว่าอิติปิโสพระกวาทิระเมตตาเมตอิติปิโสพระควาอะระหังสัมมามุกติหรือบางที่ว่ายะถาปัจเจยงังปะวั ต, ตมานังทาตุมตะโกทิระเมตปาโคตวาโอได้หลายได้หลายพันวันนี่เมื่อสู ทดแทนคุณพ่อแม่ได้แล้วนะเจ้าวาดคุนว่าอ่าได้หลายก็มือที่สามเนี่ยมันมันมันนั่งแล้วมันนิ่งไปมันเนี่ยหัวจิตมันเป็นร้อมเนาะไอ้นั่งไปโดนหลายบาดแผลตื่นขึ้นมาเนี่ยหมดตอมมืดนะนะหมดตอมหูตอมตามันก็ติมันกระโดติ่งเนี่ยเออมันสบายมันเย็นมันเนี่ยเย็น พมืนที่สามจบแล้วบวกกัดมันก็ตอบที่คือเนี่ยตัวตัวโน่ตัวยัยมดบวกกัดกินเทานี้กินมันก็สบายสุ้มซือ่ออทําเนียนี้ดีะต่หลังจากที่นั้นนะพ่อออกกำลังมาเพิ่นแก่แห่มาเทศเนาะให้มาเทศให้พ อ, อ, อไม่ออกฟังวันนี้เทศตามคมภีเลยเอาคมภีรมาอ่านพอดีคำพีเนี่ย ม, มันมันเรื่องมันเขาว่าคมภีรประวัติของเนโ น, นยนั่นแหละ อามาอ่านเข้ากระเทศตามนั้นามาจำใจจนหอบซื้อมือหนิว่าว่ามีครอบครัวหนึ่งอยากจนหลายอยากจนหลายพอกระตายเลือดเป็นเด็กน่อยเป็นกำผ้ามันก็มาเข้าชีวิตเขาด้เน่ยเป็นกำผ้าพอไปหาฟื้นกับแม่ามาขายซื้อมือแต่มีมือหนึ่งหลังจากที่อ่าหมัดฟื้นได้แล้วเนี่ยกอนยกลั บ, บันแม่นมอย บ อ, อเดีวเศร้ามือสักเข้าเนี่ยเราก็าเด็กน้อยก็ลออมันบ่ได้เศร้ามือเข้าแล้วก็นอนลับไปเด็กน้อยล้ออยู่มันมันล้อมกลังทงเนี่ยเห็นพระธุดงค์เดินมาแต่ไกลเราก็เห็นพระธุดงค์เราก็นึกพระธุดธุดงค์อยากจะไปกราบพระธุดงค์ก็เลยใกล้น้องหน้า ม, มันมีดอกบัวเราก็ได้ดอกบัวไปดอกไปไหวพระธุดงค์พระธุดงค์ก็เลย ถามที่ไปที่มาอ้เจ้าถุงเยากทุงเยากปากมองหลาเนาะอย่าบวชวะหน่อยอย่าบวชครับอาจารย์อย่าบวชนะไปหาพามาเสนะีน่ะเอาแม่ให้ผมนอนอยู่บนนี้ให้หนยังไงกระโโบไปยังไปหาพามา ก, ก่อนเดี๋ยวแม่สู่เจ้าหูแล้วจะบอกให้บวชคนนี้เขาทุ่งล่อเล็ก น, น้อยบวชวะนี่ล้อเล็ก น, น้อยบวชแล้วย้ายแล้วตื่นไล่แล้วรับไปเน่ยตอนเชื่อไปปับแล้วฝันวะนี่ พยายนี่บุเคยขวัดด้แล้วฝันว่านี่ขนสองขนผู้นหนึ่งชุดขาวผู้หนึงชุดดำมาหลากมาจุงมแล้วไปมาแกแล้วไปอแล้วไปถึงนั่นนะครับยมพาบาทก็ว่าเปิดเบิ้งว่านั่งนี่ตอนเกิดเป็นมนุษย์ได้เหตุบุญกุศลย่างไวแน่นี่บริเหตุบุญกุศลจักแนวเกิดมาเป็นคนจนเป็นมิาฉาทิฏฐิเจ้าบ่มีบุญเหลือเยอะมดแล้ ว, ม ด, ลวมดบุญแลไปนรกตด้สินไปนรกจากยมพะบาทก็ให้ยมวัตถุเอาไปยมลงนรกเป็น่า โซนทียุ่งนี่ลูกปั๊บเนี่เขาบอกว่าพะเหลืองมันลอยมาเจใสมือยุ้ยยุ้ยยุ้ยยวยมาแล้วก็ตกใจแล้วก็จับใายพะเหลืองไว้ดึงแล้วออกจากขุมนรกแล้วก็ตื่นสะดุ้งตื่นบาเนี่ยสะดุ้งตื่นหาตกใจอันยังเกิดขึ้นตกใจเรียวหาลูกบ่พ่อแล้วันนี้นําหาลูกไปเห็นเป็นเน้นน่อยนั่งกับพระธุดงอยู่พูดว่าโอ้กูพูดแล้วลูกพ่อเน้นี่แท้แท้เลนะก็เลยไปกราบพระธุดงพระธุดงได้เล่า ป่าวัติหนึง่งธรรมดให้ฟัง่สู่เจ้าทางไล่ตุ้ ง, างยาปามงมงัมงมอง่อพรเป็นยังดีที่บอกประวัติให้ฟังในที่สุดแล้วแล้วก็ดึงย้ายนั่นมาปฏิบัติทับนําแล้วก็บอกให้ตั้งอยู่ในศีลกินให้ทำธรรมาแล้วก็ดีขึ้นแน่นอนก็ได้โปรดเป็นพระบอกว่าอ๋อเป็นเน้นเนี่เป็นเน้นนี่โปรดแม่ใดคือโปรดยังสี่อ่าเห็นบอกถ้าเป็นพระถึงจะโปรดพอได้เป็นเน้เ น, นคือโปรดแม่ใดอ่ะคุณก็บเราในในทับปูเนี่ยจะเราไว้ยังสี่ พี่ปูดแม่ได้ไม่ค่อดึงดึงแม่เนี่ยเขาหาซีนหาร้ำดึงแม่เนี่ยไปวัดไปว้าได้่ะนะพ่อแม่นี่ใจอ่อนก็พอได้เหมือนบอสอ่าถ้าไปสวนพอในบ่อเนี้กูเลี้ยงมึงมามึงยังไม่สวนกูเลยนะเดี๋ยวแต่แม่เนี่เพิ่นเพิ่ น, น, น, นหักลูกเนาะเมื่อลูกมาอ่อนมาว้อนเบนกะไปน้ำบางทีนะอันนี้คือกันหลังจากนั้นก็นเลยอ่านโอ้มันมีความสึ่งในใจได้บไหมสึ่งในใจมันเหมือนชีวิตทอดแต่ หลังจากออกกำลัแล้วมันก็หาหนังสือเก่าๆมาอ่านหนังสือพุทธประวัตินะได้อ่านประวัติของพุทธเจ้ามันเกิดความสรรษษับซึ่งเกิดปีติมันก็เลยเอาเอารูประคัมเนี่ยมันนักนัง่งนับซื่มือไปเนะี่ตามปกติภาคเนือทั้ทงเหนือนี่เขากินขา้าวเนาะกินข้าวแรงเนาะยนี่ยมาแรงใบไมากันพา ก, กันเขา้าบ้านพากันเขา้าบนะ้านไปกินข้าวแรงไงตอนแรกเขาบุกเขก็ไปน้ำเขาดเดลย ถ้าบ่ไปนี่พ่อแม่มันเป็นทำเนียมบนนะ่ะพ่อแม่เขาก็ว่าแดงด่าเขาอรอลูกอยู่บ้านปู่ไปเขาก็ว่าเอเอเห้มาอ่านหนังสือแล้วโบแมนดิไงว่นะาก็เลยบอกไปน้าเขาต่อมาประกุเข้ามูอป้าใดวะเนี้ยมูอเขาเลยบังเบียดเอาบังเบียดเอาปีนั้นเฮีย น, นักธรรมประกุ้งระสบนักธรรมได้สององค์ในประมาณสิบองค์สองนักธรรมตีได้น้ำมาก็เน้นองคหนึ่งพอ่อผู้เจ้ากับสมัยนั้นสอโ บ, บอแมนของง่ายๆเลยเนาะได้ยาก พอผูาาอ้เช่าวสรมน้ำนั้งดีใดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเพื่อนมารับเอาไว้อยูน้ามาเนี้ยพระครูพิสารศิลวัฒนพอมารับไปอยู่น้ากัเลยเพื่อนเป็นคนว่าอายุหลายแล้วเวลากินขา้าวเพลแล้วเพื่นมักนอนแต่ก่อนจะนอนเนี่ยเพื่อนไปหาหนังสือในตู้มาเอาเจ้าอ่านให้หลวงปู่ฟังก่อนเนี่ยเพื่อนไปหาหนังสือนั่นหาหนังสือ น, น, หหนี่นมาให้เขาอ่านให้เพื่นฟังซู่มือซื่มือ เขาได้อ่านหนังสือพ่อเนี่ยได้อ่านหนังสือมาพอพอหลวงพ่อนั่นแหละอไปอ่านหนังสือพุทธถาดเรื่องสิทธ์โง่ไปเรียนเซนมาไงอ่านหนังสือเซนมาไงเงินบาลีของปูนวัตถุกกันบ่ของนั้นนั้นี่มาอ่านเปินฟังปรากฏว่ามันได้เรียนรู้มาให้โตที่นีก็เลยหลวงพ่อหลวงปูนนี่มันก็เห็นื้อเขาหมักเหี้ยนมักหูพอบอท่านถึงปีนี่เปินทรงไปในเมืองไปเหียนบาลีมาไง ไปเห็นบาลีเหยนการทอยู่ในเมืองเห็นได้ปีหนึ่งกบภาคตัวหลวงพอว่อพูนว่าลูกศิษย์ผู้หนึ่งอยู่กรุงเทพเห็นอยู่นี่มูมันบ่อไหลจะเอาไปเห็นกรุงเทพซะนะกว่าก็เลยติดต่อเอามู ล, ลูกศิษย์ของเราอยู่เทวที่วัดเบญจจ้านี่นะมาหับเอาไปไปถึงวันเบญจเ้าวันเบญจจาผ้าเน้นเต็มหมดแล้วอันบมิที่อยู่อ้อมูเราอีกคนหนึ่งอยู่อันพัทยุ น, ยนผ์้นนก็เลยส่งไปที่วัดพยุนพัะยุ์มีท่ว่างอยู่ก็เลยไปบวช ไปเป็นเน้นิปยวปยุโรงเียนถึงนักธรรมเห็นบาลีในปีนัน้นปากฏว่าเห็นแล้วก็ได้ที่นึได้ป่ะเนะี้ยเห็นนักธรรมบาลีได้ที่สอบสอบเพื่อดเข า, าก็หล <c oughs> <an> ังเห็นตอนแรกเนะี่ยห็นอยู่ในเมืองเเห็นบาลีวยากรมันบละเห็นนักธรรมนักธรรมโทคนธมตีสอบได้แต่บ้านอนนี้ที่ลมาหเอาไปเนะ่เห็นนักธรรมโทบาลีวยากรเข้ากรุงเทพไปเห็นแปประโยช หนึ่งสมัยนั้นมันมีประโยคน์หนึ่งสองมันมีประยโยคน์สามดุลนะนี่ประโยชน์สาพระนงเอกสามสองปีมันคือได้มหาันบอล้ได้มหาอแต่เป็นเน้นได้บ่นเนยแล้วก็เฮียนเีย น, นต่อมาอคนเฮียนดีก็งานกระไหลได้บ่นเนยอนะเหุการณ์เเฮียนต่อมหาชุลาร์เฮีนยนตรงที่นี้ไปเลยได้บ่นเนยมันก็นเลยสนุกไปกับการเฮียนต่อมาอพออายุครบแล้วบวเป็นพระ เน sure ื่องจากว่าเขาหมักภาวนาที่วัต๊กรูปค้ำนี่นะเพราะอันบทเป็นพระในรูนันปัดใหญ่พนมีพระนวักกพระไม่บวชหลายดีสี่ก็อาุี่สิบเอ็ดนย่างเงือนะบวชตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกายี่สิบเนี่ยแค่ห้าปีน่าไปนิ่งห้าปีได้ประโยชน์ได้ประโยชน์หดีได้ประโยชน์หนทั้งทั้งอีกไปน่นนะเสร็จแล้ว ในปีนั้นปีพศสพองพบทพศสองร้อยสาปี16ปีต่อมาเนี่ยทางอุปชากราปีนี้พระนวกะหลายสี่สองค์เพราะดันเจ้าเป็นเน้นบวชเจ้าเคยเป็นเน้นมาแล้วเนี่ยต้องดูแลพระนวกะใดเพิ่มเลยให้เป็นเป็นผู้หัวหน้าพระนวกะแล้วก็เป็นพระไม้ขึ้นกันนี่นีก็เป็นหัวหน้าพระวกะที่นี่ออกพรรษาแล้วนี่เพื่อนบอกก่อนพระนวกะพระไมจิตึกทุกหลุมเนี่ย ต้องให้ไปเฮี้ยนหู ก, กรรมฐ า, านวัดใดว่านึงเจ้าจะพาไปวัดใดก็พาไปเขานะอุปชาพูดบอกเข้าสมัยที่เข้าอ่านหนังสือให้หลวงพ่ออุปชาที่เด่นใช้เนี่ยฟังนี่ไปอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสบางเล่นมนึงวะเขาก็มักวิธีการหลวงพูนพออุปชาบวชพระให้ว่าให้พาพระไปฝึกกรรมฐ า, านเขาก็เลยพาพระไปส่วนหมูกไปอยู่เดือนหนึ่งจังเกียรเดือนอนส่งพระนบักกากระมดเลยเขาก็เลยกลับไปกลับไปไปที่ส่วนหมูก ไปเฮียนวิธีภาวนาต่อจากไอ้ตุ๊กกลุกประคำหนี่งมาเป็นนับลมหายใจอนาปนานสติเฮียนอนาปนานสติอยู่กระเพินได้ปีกัวปรากฏว่ามันโบผ่ า, านเพราะอย่างเพราะนา ง, งรับตาไปสักพักมันก็ง่วงกันละรับแล้วก็ง่วงอยู่นั่นแหละบางเธอมันโบง่วงมันเข่ามันเข้าสมาธิเข่าช้านไปก็บอเข่าช้านมันก็ง่วงสลับกันอยู่อย่างนี่แหละก็เลยไปถามเพินเรนลองลองพอ ถ้ามือใดมันด์บริสติมันกังวงง่วงนักเป็นแต่มันบนบกพาในเหตุอย่างไดเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยผมบรรยายไปหมดแล้วเรื่องของแกปัญหาเรื่องอนาภาสิในหนังสือในหนังสือที่ผมบรรยายไว้น่ะเจ้าไปอ่านเลื่มนั้นเรื่มนี้ไปถามยังมไดมอนด์กระบอกเต็งสิให้พาอ่านหนังสือที่อธิบายไว้แล้วบริษัแกขนาดนั้นเดยเขาก็เลยโอ้ใจออก ว่าเขาถ้าใดช้านก็นไปวทิตแตช้านสงบถ้บบาบดใดช้านเขาก็เวทิตแต่อีนิวร์เพราะที่ลูกชิดบนอาจารย์กูวิดเขมาณฑะเนี่ยเป็นลูกชิดมือขวาบนคนโบราะผู้นี้ว่าเกง่งแต่งหนังสือเก่งเขาก็ไปอ่านหนังสือคน อ, อ่านไปอ่านมาก็ปรากฏว่าปีนั่นปีหนึ่งแปดะปีหนึ่งแปดเนี่ยเราออกจากวัดประยอะุออกจากสนมก ที่เราให้ฟังเมื่อวานว่าหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนนท์หลวงพออ่อจคุณปัญญานันธาบ่ที่หาพระกรรมฐ า, านสององนะ<ม>ที่เราไปติดหันเฮาก็เลยไปไปได้ยินซือหลวงพ่อเทศจากคนนะั<ม>่นนหะจากอาจารย์กูดอาจารย์กูบอกอดูดูว่าหลวงพ่อเทยยสเท ย, ยังสั่นหลวงพ่เอเทสยังสี่อ้าอันนี้ลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อสนมุกเป็นอย่างคือเป็นนั่งหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเทสเป็นพระหลวงตานบ่ละแล้วกรมาฐานปรนะมณนาประส อันนั้นปณสติมันยกมือเอป็นน้ำโพนธิ์ยังเป็นเพธินดียังใดอย่างนี้นะก็เลยสืบสาวเท่าหาโพธิ์นนจนไปพ่อของพธิเทียน <c oughs> แล้พ่อของโพธิเทียนก็คือไปถามปัญหาที่ว่าเนี่ยเรื่องพริศนาฟ้าขวดเลยนะปุณก็บอกตั้งแต่นั่นมาแหละพ่อปุณปีพ่อศรสองพัอยได้รับคําในนั้นปีสองหนึ่งหนึ่งแปดนั่นแหละจะเข้าไปหาเพปุนปีหนึ่งกเก่าปุณก็เลยเรื่องปริศนาฟ้าขวดทีิวาที่ฟังเมื่อวานเนี่ย ให้ฟังเรตื่นรูเพันก่าใดฟังได้เนี่ยอืก็อเข้าว่าเขาติฏจเรื่องว่าผู้ที่จะออกจากสมถะไปสู่วิปัสะนาใดาต้องกำหนดลูหลูมน้ำามันเวลาไอ้กำหนดรู่ยังไดหลูมน้ำไปถามอาจารย์นงไดก็บอกบอ ก, กคักก็ไปหาต้องการไปหาลงพ่เทยียนไปหาประธานเก้านี่แหละว่า <c> ห <oughs> ล, ลูมน้ำไปยังไดเพื่อนกึ้ยกขวดขึ้นมาอัสีน่น่ะเพื่อนว่าเปิดเปิดฟ้าขวดออกแล้วย้นทิมหน่อยไปยังไดน้ำมันไระไมดเดินนงพอ เอาที่นี่ปิดมานั่นปีกายนุ่นเราหน้ามวยยุคเกาออ่าพ่อหยั่งพ่อหลวงพ่อปิดฝาเปิดฝาที่สนเสร็จนะท่านเจ้าไปหาตัวนี้มาไปหาฝานี้มาแค่นี้แหละตอบแค่นี้แหละเข้าก่นไม่หยั่งเล้ <c ười> <c ười> คือบอกละ่ะก็เ ท, าาก ท, ที่ยวมาหาคนอีกเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาทึงอะไรคําตอบที่หลังว่า ตัวฝาขวดนี่คือตัวสติผมมันได้เปิดไว้เน้วเนี่ยตัวฝาขวดคือตัวสติถ้าหากว่าเข้าบมีฝาเนี่ของดีๆอยู่ในขวดคือน้ำใสๆเนี่ยมีอย่งเมื่อซุ่นมันก็ล่มไปมันก็มดเจ้าหาใส่ไหมอีกเมื่อซุ่นอีกมันก็มดกายใจก็คือกันว่ากายเข้าขึ้นหูขวดนึ่ใจเข้าขึ้นน้ำขึ้นน้ําในขวด ต้องมีตัวนี้เป็นตัวรักษาถ้าบุมีตัวนี้นี่รักษาบวได้หู่นหํ้าพื่นกายทับใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่กายทับใจที่มันเป็นทุกข์เพราะอย่างเหมือนเจ้าเฮ็ดน้ำที่มมดเราเจ้าบุญมีน้ำกินเจ้าก็เป็นทุกข์บางทีนะเพราะฉะนั้นไปหาตัวนี้มาเจ้าต้องการดื่มย่ำไดก็ดื่มตัวต้องการดื่มผู้ปิดไว้แต่ผูปิดมันมดพื้นว่ามักผลนิพผ้าหนึ่งเหมือนน้าเหมือนใจเนี่มันมีอยู่แล้วทุกคนแต่ที่มันรักษาไว้บุได้เพราะว่ามีอย่ง รูปเสียงกลิ่นโดสัมผัสมกระทบปตามหูจมูกหลุดไก่ใจแล้วคี้ถึงห้องเดินลมไปก็มันสูเถื่อคือไปคิดเป็นน้ำมันนะนะเวลาเนี่ยมรรคตุปกับคิดเป็นน้ำมันนั่นหมายความนั้นขวดลมหรอกขวดลมบุฟฟี่ฟ้ามันความบุมฟีสติเวลาเนี่ยมากระทบป้องบุมฟี่สติกับมันขวดลมมากุนิพานอะไรนิมิตินชิเวะกับอะไรนิมิอ่าเจ้าไปได้เจ้าไปทูกกับจับแล้วตั้งไหมอ่าเวลาไม่ได้วิสุ้มานกลับไปอีกเ้ามีแทบําบัดทุกชัวข้าว มันบ่มีเงินบอกไปหาเงินมีบาดไปหาบาดบ่มีรถไปหารถมีลูกมีเมียบปหาบัวเมีได้มากมันกมันกะบ่มันกะบ่มันแก้ปัญหาอยู่นี่พ่อมันขาดตัวนี้เพราะนั้นมีทั้งเดียวที่แก้ปัญหานี้ใดคือต้องไปหาตัวนี้มาหาสตีมากเพิ่นก็เลยให้ไปเห็ุกันมีตัวเดียวคือตัวรูกตัวเดียวกมานังสั่งอางเดียวเนี่แหละนัี้ตอนแรกมันบ่เอาเพราะยังเพราะว่าเขาเนี่ยเคยให้นอมาก เคยเห็ุอนาปปนาสติมักเนี่ยมันดีกว่านี่ได้ไหมเสมอ